อนาคามีบุคคลไม่กลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกแล้วอนาคามีก็คือผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วโดยการปฏิสนธิถ้าเป็นพท่ารหันถ้าศิกขาสามบริบูรณ์ก็เป็นพท่ารหันผู้ที่เป็นพท่ารหัน์ก็ทําที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงเพราะนั้นการศึกษาศึกษาสามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 อสั่งสมบุญมาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา เ, เป็นแสนแสนกับยากที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแม้แต่องค์เดียวก็ยากนะอย่างอสงไขที่สองมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกี่องค์องค์เดียวอสงไขยที่สามมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่พระองค์อสงไขที่สี่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแค่สามองค์นะ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 ที่เราได้เรื่อมสายในพระพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวว่าการรู้จักพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักพระองค์ทั้งสามนัยยะด้วยกันนัยยะแรกคือการรู้จักพระองค์โดยสิ่งที่พระองค์บำเพ็ญประพฤติเรียกว่าจริยาคุณเนี่ยนะจริยาคุณคือคุณธรรมทั้งหลายที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าปุพจริยาคุณเป็นเหตุนะเป็นธรรมะฝ่ายเหตุ โดยทั่วๆไปแล้วคนทั้งหลายจะรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างวันวิสาขะรู้เลยว่าเป็นวันที่ประสูตรวันที่ตรัสรู้และวันปรินิพพานแต่คนจำนวนไม่มากนะักที่จะกล่าวถึงเหตุที่ทําให้พระองค์มาประสูตยตรัสรู้และนิพพานถ้าถ้าไม่มีเหตุผลเหล่านี้จะมีได้หรือบอกมีไม่ได้นะเหตุที่ทาให้เป็นพระพุทธเจ้าก็สาคัญอ่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 ทิฏฐิวิสุทธิพระองค์มีสมถ t และวิปัสนากุศลมูลสาสุดจริตสามสัมมาวิตกษสามสัญญาที่ไม่มีโทษสามท่าสามกุณธรรมเหล่านี้ถ้าไม่ได้ทําเหตุมาเนี่ยจะมีได้หรือไม่ได้หรอกแม้กระทั่งสติประธานสี่สัมมาประธาน4ีอิทิบาสีอริยมัคคอริยมัคสีอริ ย, ร ย, รยผลสี่การแทงตลอดอริยศัสสถ้าพระองค์ไม่ได้สร้างเหตุมาไม่ได้บําเพ็ญบารมีสิบมา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 เพราะบารมีสิทธิ์นี้คือพุทธกัรกะธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมอย่างอื่นอีกเช่นสารานิยธรรมหอนุสติหกคารวะหกนิสรินิยธาตุหสัตตวิหารธรรมหอนุตริยะหนิเพทภาคิยสัญญาหกอภินยาหและอาสาธรรณานายหอันนี้ก็เป็นธรรมะกลุ่มหมวดหที่มีอยู่ใน พระพุทธเจ้าพัานใครชอบตัวเลขหนึ่สอาสอันไหนก็ได้หมดเลยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระองค์ยังมีอปริหานิยธรรมเจ็ดอริยรร 7, 7, สัพเจตโพชฌงเจ็ดสัพปริสธรรมเจ็นิทสาวัตถุเจ็สัญญาเจ็ทักขินายะบุคคลเทศนาเจ็ดขีนาสวะภะระเทศนาอีกเจเนี่ยนะคุณธรรมหมวด7เหล่านี้ก็เกิดจากเกิดจากเหตุคือพุทธกัรกะธรรมถ้าพระองค์ไม่ให้ทานมาเนี่ยนะ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 เมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ยังมีปัญญาปฏิลาพระเหตุตุเทศนาอีก8สัมมตตะ8การกาวล่วงโลกธรรม8พระองค์มีอารัมพวัตถุ8อักคณะเทศนาอีก8มหาปริสวิตตก8อภิพาัตนะ8ดวิโมก8นะคุณธรรมหมวด8เหล่านี้เกิดจากบารมีอีกนั่นแล้นะถ้าไม่มีความอดทนที่จะบำเพ็ญบารมีมาตลอดสีอสงไขยแสนกับ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 สตวาสเกนี่หมายถึงว่าพระองค์สามารถสอนเรื่องการการอยู่ของหมูสัตว์ได้9้านะมีอาคาตะปฏิวินัยีก้าปัญญา9้านานะัตะเทศนาก้าอนุปภาพวิหารธรรม9ะนะหมวด9คุณธรรมหมวด10ของพระองค์ก็คือนาถกรณธรรม10บกสินายตนะสิบกุศลกรรมบทส0สัมมาตาสิบ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 ถ้าพระองค์ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในตัวเช่นถ้าพระองค์ไม่มีกําลังของพระตถาคตสิพระองค์จะสอนคนอื่นอย่างไรพระองค์จะรู้จักสัตว์อื่นได้หรือขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ที่ได้รับคุณธรรมอะไรบ้างอันนี้สงจากการเจริญเมตตาสิอพระองค์ตรัสรู้อาการธรรมจักริบสองพระองค์ก็ประพฤติขัดเกลาด้วยธู ด, ดงข้สิบสา พระองค์มีพุทธยาน14พุทธยาน14ก็เช่ น, นนะยานในอริยสัจสียานในปฏิสามพิธา4อาอสาทธารณะยาน6เนี่ยนะพระองค์มีวิมุติปริป จ, จินธรรมอีก15มีอานาปานาสติอีก16มีอปรัมประปริยธรรมอีก16มีพุทธธรรม18ปัจเจเวกขณะยาณ19ญายานวัตถุ44อุทยพยายาณ50กุศลกุศลธรรมคือกุศลเจตสิกทั้งหลาย ที่อยู่ในจิตเนี่ยนะเกินห้าสรบวานับแล้วนับอีกมียานวัตถุ77มหาวชิรยานอันเป็นจารีดร่วมกับสมาบัตอีกสองล้านี่โกธอันนี้ที่นับได้อะที่นับไม่ได้ล่ะที่นับไม่ได้ก็คือเทสนายานเป็นเครื่องค้นคว้าพิจารณาสมันตะปทานอันมีนัยยะไม่มีที่สุดและพระองค์ก็ยังมียานที่ไม่มีที่สุดอีกอันหนึ่งคือยานที่ประกาศอัธยาศัยเป็นต้นของสัตว์ไม่มีที่สุด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 กรุณานะเป็นเหตุกรุณาเป็นปัจจัยกรุณากระตุ้นเตือนทําให้บําเพญ็ญคุณงามความดีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในหน้า5253เนี่ยที่ได้กล่าวเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านับหนึ่งก็ได้นับสองก็ได้คือพระองค์เป็นผู้ที่มีบุ ญ, ญสมผานและญาณสมผานก็คือพระองค์มี ส, สัมภาระคือบุญมีสัมภาระคือญาณเนื่องจากพระองค์มีบุญและมีปัญญานี่แหละ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 ก็คือสัจจาทิฐานจาคาทิฐานอุปสมาทิฐานและปัญญาทิฐานอธิฐานนั้นทำ4ี่นี่แหละทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราชอบหมวด4นะหรืออีกพุทธภูมิ4ี่ก็คือปัญญาอานะอุตสาหะปัญญาอาวัตานะและก็หิตะจริยาอุตสาหะก็คือความเพียรปัญญาก็คือความรอบรู้อวัตานะก็คือตั้งใจมั่นหิตะจริยาททุกอย่างเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อที่จะปลดเรื่องสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์ธรรมะเหล่านั้นถ้าจะแบ่งเป็นหก็ได้ใช่ไหมห้คืออะไรก็คือสัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาที่เรียกว่าเป็นเครื่องบ่มมหาโพธิญาณคุณธรรมที่บ่มให้การตรัสรู้เกิดขึ้นถ้าถ้าไม่มีการเจริญสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกแต่ แต่คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเปล่าไปแล้วก็เกิดจากอัธยาศัยหประการอัธยาศัยหกมีอะไรบ้างเกิดจากอัธยาศัยอะโลพาธยาสัยอโมหัตยาสัยอโทสัตยาสัยก็คืออัธยาศัยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขณะเดียวกันพระองค์ก็มีเนคคำมัธยาสัยวิเวกัตยาสัยและนิสรณะสยาสัยก็คือมีอัธยาศัยในการออกจากวัตตนนั่นเอง ที่ทําได้อย่างนี้ตลอดนานก็เนื่องจากพระองค์มีปฏิญญาเจประการใช่ไหมปฏิญาเจ็ดประการทวนนะมีอะไรบ้างพระองค์มีปฏิญาไว้ว่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้เออเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วจะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วย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 และอีกในหนึ่งเนี่ยนะถ้าบอกว่าเหตุที่ทําให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เนื่องจากพระองค์มีคุณธรรมอีกเก้าประการอันหนึ่งนะที่ที่เป็นเหตุที่สําคัญเนื่องจากพระองค์มีโยนิโสมนัสการเป็นข้อแรกเมื่อพระองค์มีโยนิโสมนัสการทําให้พระองค์เกิดการเจริญกุศลต่างๆโดยประการต่างๆเมื่อโยนิโสมนัสการที่เป็นเหตุใกล้แห่งกุศลธรรมทุกชนิดเป็นเหตุให้พระองค์ได้เกิดปราโมทมีปีติปัสสัททิสุขสมาธิ ยะถาภูตยานทัศนะซึ่งเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนิพพิทาวิราคะและก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อันนี้ก็ถือว่าเกิดจากอะไรเกิดจากโยนิสโมนสมณัิการมันกุศลธรรมทุกชนิดมีโยนิสโมนสมณัิการเป็นเหตุใกล้เป็นมูลหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะ คุณธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้า ก, ก็คือเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าหรืออัธยาศัยของพระองค์ก็คืออัธยาศัยในการบําเพ็ญบารมีสิบ น, นะมีอัธยาศัยในทานพระองค์มีอัธยาศัยในเสนเนกขมมะปัญญาวิรยิยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาขณะเดียวกันอีกในหนึ่งก็ได้ว่าก็มีอัธยาศัยในบุญญกิริยาวัตถุสิมีอะไรบ้าง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 หมวดเหมวด10 น, นะเหตุเหล่านี้คือเหตุที่ทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ในบรรดาอัธยาศัยทั้ง10ประการโดยเฉพาะอัธยาศัยในทานศีลเป็นต้นนะอัธยาศัยในทานเนี่ยพระองค์ตั้งไว้เสมอว่าเราจะให้ทานเหมือนกับหมออความตามรักษากุศลศีลเหมือนนกอะไรนะเหมือนจามมารีรักษาขนหาง น, นะนะเจริญเนฆะธรมะต้องการออกจากวัตฏะเหมือนคนที่อยู่ในคุกด้วยความทรมานต้องการจะออกจากคุกมีอัธยาศัยในการสแสวงหาปัญญาเหมือนพระพิสุแสวงหาอาหารนะแสวงหาความรู้เนี่ยนะมีอัธยาศัยที่จะภาคเพียรพยายามอย่างองค์อาจไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศลเหมือนกับราชสีมีความอดทนเสมือนกับแผ่นดินนะ มีจิตใจที่มั่นคงเหมือนกับภูเขาหินตั้งมั่นนะนคำพูดคําสั์คําจริงคําพูดใดที่ปรารบจะเจริญกุศลไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับดาวที่โครจรเนี่ยนะดาวประกายพฤกษ์ที่โครจรมีอัธยาศัยน้อมไปด้วยเมตตาเหมือนกับน้ำที่ให้ความเย็นแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมีอุเบกขา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 ตอนที่เราเป็นพราหมณ์นามว่าสังขะชื่อเหมือนอำเภอบ้านเกิดเลยท่านบอกว่าต้องการจะข้ามมหาสมุทรไปอาศัยปัตตนาคามอยู่ก็คือเวลาที่จะข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งนะต้องการจะไปลงทะเลก็ไปที่ปัตตนาคามปัตตนาคามนี่เป็นเป็นบ้านที่อยู่ใกล้ทะเลครั้งนั้นเราได้เห็นพระปเจกพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองเพราะปัจเจกพระปเจกไม่มีใครสอนใช่ไห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 ที่แข็งก็แข็งขนาดไอ้ที่ร้อนก็ร้อนระอุใครเคยทอรองเท้าเดินบนถนนลาดยางมั่งนะหรือไม่ก็ไปประทักศินเจดีแล้วจะรู้สึกนะโอ้ยแต่ยิ่งเจดีเจดีไหนที่เขาขัดหินอ่อนเป็นอย่างดีมันแพลบเนี่ยนะโอ้โหวางเท้าดูเถอะก็ลองฝึกเหยียบเอาไว้เนี่ยนะอันนี้แค่พื้นธรรมดานะเนี่ย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 ผู้ต้องการบุญก็ลักษณะนั้นเราก็ฉ น, นั้นเหมือนกันเป็นผู้ต้องการด้วยบุญต้องการด้วยบุญบุญนี่เป็นชื่อของอะไรบุญนี่เป็นชื่อของความสุขแล้วก็เป็นชื่อแห่งเหตุแห่งความสุขยังผลที่น่าบูชาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องการความสุขต้องการเหตุแห่งความสุขต้องการวิบากที่น่าปรารถนาะเพราะฉะนั้นเห็นนาบุญอันประเสริฐสูงสุดแล้วเนี่ยถ้าไม่ทาบุญ คือทําสักการะเราก็เชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการบุญเขาบอกว่าแม้เอ่ยชื่อว่าเป็นชาวนาแต่ไปเห็นนาแล้วขี้เกียจขี้กเกียจเนี่ยนะจะเรียกว่าชาวนาได้ไหมเรียกว่าพลสแสวงหาข้าวได้ไหมฉันใดผู้ที่เรียกว่าตัวเองเป็นผู้สแสวงบุญก็เหมือนกันเห็นนาบุญก็บอกโอ้จะต้องหวานต้นบุญลงได้แล้วเนี่ยนะถ้าคนที่มีอัธยาศัยเจริญกุศลเนี่ยเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อจะเจริญกุศลแต่ถ้าคนที่โกรธเนี่ยว่าไงรู้ไหม ก็มาทำไมก็แดดมันร้อนเราท่านไม่น่าจะมาดอนแดดมันร้อนอะไรแบบนี้เลยใช่ถ้าคนที่เป็นอกุศลนะคิดจนได้บาปเอา